โล่ขายดีขึ way way, FC, ้นมากเลยค่ะปีทั้งเอซที FC, ่ตามมากรีน้องแล้วก็ลูกค้าเดิมที่เป็นเอซรายการอีกก็มามากขึ้นโล่ขายดีขึ้นมากเลยค่ะปีทั้งเอซที่ตามมากรีนน้องแล้วก็ลูกค้าเดิมที่เป็นเอซรายการอีกก็มามากคือ